พระรหันต์พระัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรนะาตั้งใจสัมรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมในการทำสมาธินั้น ผู้ทำสมาธิจะต้องรับอารมณ์ของสมาธิคือกรรมฐานมาเป็นเครื่องกำหนดใจอันเรียกว่านิมิตที่แปลว่ากำหนดใจหรือเครื่องกำหนดใจก่อนแต่ทำสมาธิทุกคนยอม มีเครื่องกําหนดใจต่างๆกันคือกําหนดใจอยู่ในเรื่องนั่นบ้างในเรื่องนี้บ้างเรื่องอันใดก็ตามที่จิตกําหนดหรือใจกําหนดถึงเรียกวันนิมิตคือเครื่องกําหนดใจทั้งนั้นและโดยปกตินั้นเมื่อ มีเครื่องกำหนดใจอยู่ในเรื่องอันใดเรื่องอันนั้นก็เชื่อว่าเป็นนิมิตของจิตและจิตสามัณชนที่เป็นกามาพระจรคื อ, อยังลงในกามย่อมกำหนดใจกันอยู่ในสุภเนมิตคือเครื่องกำหนดใจว่างามบ้าง ในปฏิฆะนิมิตเครื่องกำหนดใจในทางกระทบกระทั่งบ้างเป็นโมหะนิมิตคือเครื่องกำหัดใจไปในทางหลงบ้างเพราะฉะนั้นวิตกคือความคิดโดยปกติทั่วไปจึงอาศัยฉันทะความพอใจ โดยอำนาจของราคะความติดใจยินดีบ้างอาศัยโทษะความโกรธแค้นกัดเคืองบ้างอาศัยโมหะความหลงบ้างจิตโดยปกติทั่วไปจึงอยู่กับทันธราคะความพอใจโดยอำนาจของความติดใจยินดี บ้างอยู่ด้วยโทสะบ้างอยู่ด้วยโมหะบ้างอันเป็นกุศลอันเป็นอ ก, ลลกุศลเรตกเพราะฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติสมาธิจึงต้องเปลี่ยนใจให้มากำหนดในนิมิตของสมาธิยกตัวอย่างเช่นมากำหนด พิจารณาตามดูตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตและธรรมอันเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่โดยเฉพาะในข้อกายนั้นก็เช่นมากําหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอาณาปานสติ เบีกกำหนดลมหายใจเขาออกแต่ว่าการเปลี่ยนเครื่องกำหนดใจจากของเดิมให้มากำหนดอยู่ในเครื่องกำหนดใจคือกรรมฐานดังเช่นที่กล่าวมานี้จิตยังไม่ยอมถอนใจออกจาก เครื่องกำหนดเดิมอันเป็นเหตุแห่งอกุศลวิตกทั้งหลายดังกล่าวมานนั้นได้แม้จะมาตั้งกำหนดอยู่ในเครื่องกำหนดคือนิมิตอันได้แต่กรรมฐานดังนเช่นที่กล่าวแล้วจิตก็ยอมจะต้องพวักพวลนุงซาน ออกไปสู่นิมิตเจอเครื่องกำหนดเกา่าอันเป็นอกุศลอยู่เนืองๆแม้จะพิจารณาโทษหรือแม้ว่าจะพยายามที่จะไม่นึกถึงไม่ใส่ใจถึงแต่รวมใจเข้ามากำหนด ในนิมิตของสมาธิเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็ยังเป็นการยากที่จะทำได้จิต ก, ก็ยังหลบออกไปภระวักผวนอยู่ในเครื่องกรมดเก่าอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอน วิธีที่จะรักษาจิตให้กำหนดอยู่ในเครื่องกำหนดคือกรรมฐานจิตประการหนึ่งคือให้ทำใจกำหนดในสันฐานแห่งสังขาร ของวิตกอนวิตกคือความฝึกนึกคิดทั้งปวงนั้นก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งแปลว่าเป็นสังขารที่ไม่เป็นรูปประทับคือมีรูปให้ตามองเห็นได้หูได้ยินเป็นต้นแปลว่าเป็นนามธรรม ท, ที่ใจกําหนดได้ และในการกําหนดดูนั้นก็ต้องกําหนดดูสังขารของวิตกนั้นเองเช่นเดียวกับที่จะมองเห็นกันด้วยตาก็ต้องมองเห็นสังขารของรูปเหล่านั้นเช่นคนเรามองเห็นเรื่องการณ์กันก็มองเห็นสังขารร่างกาย ของกั น, นกันนั่นเองด้วยตาถ้าไม่มีสังขารร่างกายก็มองกันไม่เห็นแม้วิตกคือความสุขนึกคิดก็เช่นเดียวกันก็เป็นสังขารแต่ว่าเป็นสังขารนี่เป็นนามธรรมามองโดยตาไม่เห็นแต่ว่ากำหนดได้โดยใจโดยเป็นนามธรรมา ถ้าหากว่าไม่มีสังขารแม้ใจก็กำหนดไม่ได้แต่ต้องมีสังขารที่เป็นนามธรรมาใจจึงกำหนดได้กำหนดดูโต ว, วิตกได้ก็คือว่ามากำหนดดูความคิดที่เป็นโต ว, วิตกของตนนั่นเองตอนจะคิดอะไร คือเจ้าวิตกตรึกนึกคิดอะไรก็ให้คิดไปแต่ว่าคอยตามดูตามรู้ตามเห็นว่าคิดอะไรและเมื่อตามดูตามรู้ตามเห็นนี้ก็จะได้เห็นสันฐานคือสุดทรงของความตรึกนึกคิดว่าเป็นอย่างไร ความฝึกนึกคิดนั้นเป็นกามวิตกหรือเป็นพยาบาทวิตกหรือเป็นวิหิงสาวิตกก็ย่อมรู้ได้นี่ควายอากุศลหรือแม่ฝ่ายกุศลความฝึกนึกคิดนั้นเป็นแน่คำมวิตกความฝึกนึกคิดในทางออกเป็นอัพยาบาทวิตก ความหลึกในกทิศในทางไม่พยาบาทเอาวิสิงสาวิตกความนึ ก, น, ก, น, กนึกคิดไปในทางไม่เบียดเบียนก็รู้ได้เหมือนอย่างคนที่มองดูกันและกันก็ยอมจะเห็นสังาขารคือสุดสรงของสังขารร่างกายท่องกันและกันว่าสูงต่ำดำขาวอย่างไรเป็นต้น แม้ทางจิตใจก็เช่นเดียวกันให้ใส่ใจให้มีสติคอยตามดูตามรู้ตามเห็นตัววิตกตีเรียดตามสับแสงว่าสันฐานคือเสดส่งของสังขารของวิตกนันเป็นนามธรรมาและเมื่อเป็นดังนี้หากว่า วิตกคือความปรึกนึกคิดตรงตนนั้นเป็นฝ่ายอักุศลคือเป็นฝ่ายที่อาศัยชันทะคือความพอใจดรืยอําไรของราคะความติดใจ ย, ยินดีบ้างอาศัยโทสะบ้างอาศัยโมหะบ้างวิตกฝ่ายอักุศลเหล่านี้ก็จะสงบลงไปโดยลําดับท่านยังมีอุปม า, มาเรียบเหมือนอย่าง บุคคลเมื่อกําลังเดินเร็วก็วคิดว่าเรากําลังเดินเร็วทนหนจะเดินให้ช้าลงจึงเดินช้าลงและเมื่อเดินช้าลงก็คิดว่าทนานเราจะได้หยุดยืนไม่เดิน ก็หยุดเดินได้คือยืนและแม้เมื่อยืนต้คิดว่าท่านไหนเราจะนั่งก็นั่งลงได้และแม้เมื่อนั่งต้อคิดว่าท่านไหนเราจะนอนก็วเหยียดกายนอนได้นี้ฉันใด การปฏิบัติต่อวิตกคือความฝึกนึกคิดด้วยการใส่ใจกำหนดสันฐานคือสวดส่งแห่งสังขารของวิตกด้วยใจเพราะเป็นนามธรรมาก็ย่อจะรู้ได้ เทียบอย่างตาเขาเรียนว่าเห็นได้เห็นได้ด้วยใจคือรู้ได้ด้วยใจและเมื่อรู้ได้ด้วยใจดังนี้ตนตรึกนึกคิดไปอย่างไรตนเองก็จะรจะรู้ตนเองว่าตรึกนึกคิดไปโดยอํานาจของฉันท่าคือความพอใจอย่างไรในสิ่งอะไร อย่างไรหรือปึกนรืคิดไปด้วยอำนาจโทสะก็รู้ได้ว่าลักษณะเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรอาการนิคิดเป็นอย่างไรหรือเ้ื่อำนาจของโมหะคือความหลงก็รู้ได้ว่าหลงไปในอะไรหลงไปอย่างไรเช่นเดียวกัน และเมื่อเป็นดังนี้หากว่าวิตกคือความปรึกนึกคิดนั้นเป็นไปอย่างเต็มที่ก็ย่อมจะรู้จะเห็นได้โดยใจว่ากำลังเป็นไปแรงและก็ให้คิดว่าท่าไหนชนไหน จะทำให้ช้าลงอย่าให้เป็นไปเร็วไปแรงมากให้เบาลงให้ช้าลงอย่างนี้วิตกวความปรึกนึกคิดนั้นก็จะช้าลงได้และก็ให้คิดว่าท่านไหนเราจะหยุดคิดอยู่กับที่ได้ คือไม่คิดต่อไปก็อาจจะหยุดได้หรือให้คิดต่อไปอีกว่าทนไหนจะทำให้ความคิดนั้นสงบลงได้ก็ยอมจะสงบลงได้หรือให้คิดว่าท่านไหนเราจะเลิกคิดได้ก็อาจจะเลิกความคิดนี้ได้ โดยลำดับโดยที่ปฏิบัติในทางลดกระแสความรขอ ง, ขอ ง, ข, อ ง, ข, องของความหรึกนึกคิดนี้ให้ช้าลงไปให้เบาลงไปจนถึงให้หยุดสงบระงับเหมือนอย่างอุปมาที่สตร์สอนไว้นั้นกำลังเดินเร็ว เราให้เดินช้าลงให้หยุดยืนให้นั่งและให้นอนในที่สุดก็ยอมจะทำได้เมื่อเป็นดังนี้จิตนี้ก็ยอมจะหยุดสงบยอมจะตั้งสงบยอมจะมีอารมณ์เป็นอันเดียว อยู่ในนิม็ดของกรรมฐานย่อมจะได้สมาธิดังนี้เป็นวิธีปฏิบัติ่พรุพุติเจ้าได้ตรัสสอนไว้อันหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนอาณาปานสติ คือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกสิบหกชั้นในข้อกายานุปัสนาสติปทานสี่ชั้นข้อเวทนานุปัสนาสติปฐานสี่ชั้นข้อจิตตานุปัสนาสติปทานสี่ชั้นและข้อ ทำมาลุปาสนาสืิประทานสี่ชั้นโดยที่ได้ตรัสสอนให้ตั้งตน้นตั้งแต่กายานุปัสสนาสืิประทานและต่อกันขึ้นโดยลำดับโดยอาศัยลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นตัวกรรมฐานนำโดยตลอด มาถึงข้อจิตตานุปัสสนาตัดสอนให้ศึกษาว่าเราจะรู้ทั่วถึงจิตให้ใจเข้าศึกษาว่าเราจะรู้ทั่วถึงจิตให้ใจออกจิตนั้นท่านแสดงไว้ก็ได้แก่วิญญาณจิตก็คือ บรรดาคําทั้งหมดที่หมายถึงกิจใจอันได้แก่จิตมโนหรือมนั์หะไทยปันดระมานายตนะวิญญาณมณนสีน วิญญาณอาคาวิญญาณธาตุก็ชื่อว่าจิตหรือวิญญาณจิตจิตนั่นย่อมรู้ทั่วถึงอย่างไรก็ตรัสสอนว่าจิตใจที่ปรากฏอยู่หรือที่มีอยู่ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติในข้อกายานุปัสสนา ในข้อเวทนาโนปัสสาก็ชื่อว่าเป็นจิตในข้อนี้ทั้งหมดคือด้วยอํานาจแห่งหายใจเข้ายาวออกยาวโดวยสามารถแห่งหายใจเข้าสั้นออกสัน้นโดยสามารถแห่งรู้ทั่วถึงกายทั้งหมด ให้ใจเข้าให้ใจออกโดยสามารถแทงสงบรำลับกายจะสังขารก็ลงม ใ, ใาให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นข้อกายและต่อขึ้นมาโดยสามารถแทงรู้ทุบถึงปีติให้ใจเข้าให้ใจออก โดยสามารถแห่งรู้ทั่วถึงสุขให้ใจเข้า ใ, ใจออกโดยสามารถแห่งรู้ทั่วถึงจิตตะสังขารเกิดปรุงจิตคือสัญญาเวทนาให้ใจเข้า ใ, ใจออกโดยสามารถแห่งสงบร้งนับจิตตะสังขารให้ใจเข้า ใ, ใจออกมือรู้ทั่วความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฝุ้งซ่านสติยอมตังมันจิตยอมเป็นอันรู้ทั่วถึงโดยสตินั่นโดยญาณนั่นเมื่อคำนึงถึงเมื่อรู้เมื่อเห็น เมื่อพิจรารณาเมือ่อดิธานจิตเมื่อน้อมจิตไปด้วยศรัทธาเมื่อประคองความเพียรเมื่อตั้งสติมั่นเมื่อตั้งจิตให้เป็นสมาธิเมื่อรู้โทษโด้วยปัญญาเมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่พึงรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้ ธรรมะที่พึงกำหนดรู้เมื่อละธรรมะที่พึงละเมื่ออบรมให้มีให้เป็นขึ้นซึ่งธรรมะที่พึงอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นเมื่อกระทาไม่แจ้งซึ่งธรรมะที่ควรกระทาให้แจ้ ง, ง, จ, งจิต ย่อมเป็นอันรู้ทั่วถึงอย่างนี้ด้วยสามารถแห่งรู้ทั่วถึงจิตจิตวิญญาณหรือจิตก็เป็นอุปัทานะคือเป็นที่เข้าไปตั้งกำหนดของจิตสติเป็นอนุปัสนาญาณคือความอย่างรู้ เป็นเครื่องพิจารณาตามรู้ตามเห็นจิตเป็นอุปทานะไม่ใช่เป็นสติสตินั่นเป็นอุปทานะหรือเป็นความปรากฏหรือความเข้าไปปรากฏด้วยเป็นสติด้วยย่อม พิจารณาตามรู้ตามเห็นจิตดยสตินั้นด้วยญยาณ น, นั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นสติปัฏฐานภาวนาอบรมสติปัฏฐานในข้อพิจารณาตามรู้ตามเห็นจิตในจิตนี่เป็นอธิบาย ที่ท่านได้อธิบายไว้ถึงข้อว่าศึกษาว่าเราจะรู้ทั่วถึงจิตให้ใจเข้าให้ใจออกอันเป็นข้อที่หนึ่งของจิตตานนปัสสนาสืบมาจากข้อกายและข้อเวทนาโดยลำดับต่อไปนี้ ก็ขอให้ตั้งใจฟังโสตแต่ตั้งใจความสงบทำความสงบสืบต่อไป